เพืนฟังคะผ่านไปนะคะออกับการฟังพระมาชาเขาวโรวัฒนาปปงลําลูกกาคลองศิษย์ที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านได้มอบหนังสือพุททวจนะมาแจกในรายการนี้กันอยู่เป็นประจำวันละสามเล่มสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาที่0 2 2ย์สองสค่ะต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ไปพบกับพระอาจารย์ไพบุลอภิปุญโนนะคะซึ่งแนื้นท่านจะอยู่ใกลถึงอุดรธานีแต่ว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีจึงทําให้ ได้มีโอกาสฟังท่านเหมือนกับท่านมาอยู่ที่สถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวแห่งนี้เลยนะคะกลับน้อส ก, กานครัท่านคะเจมบานก็เป็นวันหนึ่งที่เรามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะกับหน้าที่อะคะ่ะเจมบานจริงหรือไม่คะที่มีคํากล่าวว่าธรรมะกับหน้าที่เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆธรรมะก็คือเป็นสิ่งที่ คือถ้าคนรู้คนที่มีหน้าที่เนี่ยแล้วมีธรรมะด้วยนะถ้าคนที่มีหน้าที่แล้วมีธรรมะด้วยเนี่ยคุณก็จะจะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างดีคือจริงๆธรรมะเนี่ยถ้าคุณยมตีบอกเป็นหน้าที่เนี่ยตมาต้องบอกงี้ว่าธรรมะเนี่ยจริงๆเป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตนีวิถีชีวิตบางทีเราอาจจะมีหน้าที่ก็ได้บางทีเราจะไม่มีหน้าที่ในในหน้าที่การงานนะแต่ว่าธรรมะเป็นวิถีชีวิตคุณอยู่บ้านคุณตื่นเช้าคุณไปโรงเรียนคุณไปห้องน้ําทุกอย่างต้องมีธรรมะหมดเลย S <S <ม>เด็กตั้งแต่เกิดมาเริ่มรู้ความถ้าเป็นมีธรรมะในใจนก็เป็นเด็กที่มีความกระตันยูอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ถ้าคุณเป็นลูกลูกก็จะมีความความกระตันยูแต่ถ้าเป็นนักเรีย น, นก็จะเป็นนักเรียนที่มีความขยนันมีความซื่อสัตย์มีความรู้คุณของครูบาอาจารย์แต่ถ้าตัวเองเป็นวัยรุ่นเราก็จะรู้จักหน้าที่วตัวเองต้องทําอะไรแต่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะมีความเมตตาถ้าเป็นลูกน้องก็จะมีความซื่อสัตย์ถ้าเป็นเจ้านายก็จะมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจมีความผู้นําอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นธรรมะนีคือวิถีชีวิตคือไลฟ์สไตล์คือไม่ใช่เฉพาะตอนคุณมาวัดนั่งสมาธิหรือไม่ใช่เฉพาะตอนที่คุณใจเบาทแต่ตอนที่คุณทํางานอยู่คุณมีธรรมะโอ้งานออกมาดีงานออกมาเร็วงานออกมาเรียบร้อยแน่นอนหรือว่าตอนที่คุณกําลังทะเลาะกับคนอื่นถ้าคุณมีธรรมะคุณจะเป็นคนอดทนได้คุณจะเยือกเย็นอยู่ได้คุณจะไม่กราฟัดกราเฟออกมาเพราะฉะนั้นธรรมะให้เป็นวิถีชีวิตจริงๆคุณผู้ชมคือทุกที่ทุกจุดทุกเวลาทุกสถานทุกขณะจิตเลยต้องมีธรรมะตลอด สำหรับท่านแล้วเห็นว่าธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นมากกว่าหน้าที่อ่าเป็นวิถีชีวิตใช่อันนี้สอดคล้องกับพุทธวจนะน ะ, ะ เ, เพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่ามร์ไงมร์คือขนทางมร์คือทางแต่ถ้าเราบอกว่าเธรรมะคือวิถีทางในการดําเนินชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือวิถีทางในการดำเนินชีวิตซึ่งมันจะลอดสอดคล้องกับมร์แปดด้วยในสมมาอาชีวะคืออะไรเก็นี่ไงเลยเต็มๆเลยในสมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในมร์แปด เพระันเราทำอาชีพอยู่คุณมีสีได้ไหมมีได้แน่นอนมันไม่ได้แยกกันนะทำเฉพาะเวลามาวัดไม่ใช่นะแต่คุณอยู่ในออฟฟิศคุณอยู่ในรถคุณอยู่ในรถเมย์นะคุณต้องมีมัดแปดตลอดนะค่ะถ้าจากนั้งั้นดูเหมือนกับว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าม r k เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงสำหรับผู้ที่มีเจตนาที่จะดำเนินไปเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูง แต่พอมาฟังท่านพิบูลพูดในวันนี้นะคะดิฉันเข้าใจว่าท่านกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบสำหรับคนที่จะเกียวกักายไปถึงที่สูงแต่ว่าเป็นเรื่องทั่วๆ่วไปของทุกๆคนหรือไงคะเออเป็นที่คุณโยมตีบอกขั้นสูงเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นขั้นละเอียดลึกซึ้งนะเนื่องาะมันละเอียดทุกจุดเลยมันไปได้ทุกที่นะถ้าบอกเป็นธรรมะขั้นสูงก็พูดได้ตรงที่ว่า มันมันใช้ได้ทุกที่มันถึงสูงมันถึงเราเราถึงยกย่องมันไว้ดีนะเพราะมันใช้ได้ทุกที่สูงแล้วติดดินด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ถาวกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าสูงอย่างบันไดอถามว่าสูงไหมคุณยมติว่าก็แล้วแต่บันไดอ่ะแต่ขั้นที่หนึ่งนี่ต้องติดพื้นแน่นอนค่ะถูกไหมแต่ขั้นมันถ้าบันไดสูงไม่ว่าสูงเท่าไหร่เอาสอยสูงเทียมฟ้าขั้นที่หนึ่งต้องติดพื้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามักนี่เป็นอย่างนี้ไง สูงไหมสูงพาไปสูงถึงไหนวีมตดนุ่นแหละแต่ขั้นที่หนึ่งติดพื้นไหมต้องติดพื้นเหมือนกันค่ะเอดิฉันก็เลยจะถามท่านว่าธรรมะกับมรรคในที่เนี้เป็นเรื่องเดียวกันหรืองไงคะธรรมะนี่มีมทั้ ง, มงหมดทั้งหมดมีสี่ส่วนธรรมะมีสี่ส่วนนันคือส่วนที่ต้องล ะ, ะเราพูดถึงตัณหานะส่วนที่ต้องทําให้เจริญเราพูดถึงมรรคไงส่วนที่เราต้องไปถึงอยู่ปลายขั้นสุดท้ายของกันใดนั่นนั่นคือนิพพานนั่นคือที่ต้องทําให้แจ้งแล้วไอ้ตรงระหว่างทางที่เราอยู่ตรงเนี้ย นะ น, นี่เป็นสิ่งที่เราต้อง ร, อรับรู้นี่คือคือความทุกข์แต่ประเด็นถ้าเราถ้ามาพูดถึงธรรมะธรรมะก็ต้องให้เข้าใจไปเลยว่าธรรมะส่วนที่คนรักก็มีนะเช่นความชั่วความเลวความคิดอาฆาตพวกนี้คุณอย่าให้มีในจิตนะธรรมะส่วนที่ต้องทำให้มากๆมีนะเช่นความรักความเมตตาความอดทนนะความเป็นหนเย็นใจความไม่เบียดเบียนนิธรรมสาเนี่ยก็ก็ให้มาเป็นคู่กันถึงจะเหมาะสมอืมค่ะก็ ไม่ได้หมายความว่าขึ้นชื่อว่าทำแล้วจะเป็นสิ่งที่อา่าทางบวกไปหมดถูกไหมครับเพราะท่านกำลังบอกว่าตัณหาเนี่ยอืมมันไม่ดีต้องละก็แปล ว, ว่าในเมื่อตัณหาเรียกว่าธรรมด้วยเหมือนกันถูกต้องเป็นธรรมแบบควรละ ท, ที่ควรละเป็นทางที่ควรละอันนี้เป็นพุทธวจนะที่บอกว่าพระเจ้าว่าตัณหาเนี่ยเป็นธรรมอันบุคคลพึงละแมาย พ, พูดไปแล้วรู้สึกว่าจะติดจำเวนบาลีมากไปหน่อย อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าสำนวนบาลีดีแต่ว่าเนี่ยคะ่ะอ่าท่านฟังที่รรครับก่อนหน้าที่จะมากราบเรียนสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไทพูลในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ได้กราบเรียนถามท่านว่าท่านทําอะไรอยู่ท่านก็บอกว่าท่านเรียนบาลีอไืไหนๆท่านพูดมาถึงคําว่าบาลีแล้วดิฉันนึกขึ้นได้เลย ว, ว่าตั้งใจจะถามท่านนะคะว่าเรียนบาลีแล้วเป็นยังไงคะที่ฉันเคยไปเรียนอยู่สักสองหรือสามวันสามครั้งอ๋อ แต่ว่าเป็นการเรียนแบบสั้นๆนะคะครั้งละครึ่งโมงสองครึงก็รู้สึกอุ้ยยากจังเลยต้องท่องก็จะกลับเรียนถามท่านว่าท่านเรียนแล้วพบว่าบาลีเนี่ยเป็นอย่างไระคะเอาเอาความเห็นของอาตมานะเอาความเห็น<ช>อาตมาก็ทําไมเราถึงไปเรียนก่อนนะเพราะว่าเราก็เรียนเรียนคือก็ในใจตั้งใจไว้แล้วแหะตั้งแต่บวชมาคงไม่เรียนบาหลีตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยแต่เพราะว่าเห็นคนอื่นเรียนเนี่ยมันจะต้องท่อง ท่องอย่างนี้ท่องอย่างนั้นแล้วก็ท่องอย่างโหดโหดเราจะไ่ต้องได้ไงอะ่ะมันเป็นตั้งหลายอย่างนี้คุณท่องไม่ได้หรอกอแต่ปรากฏว่าที่วัดป่าหลโศนเนี่ยก็มีการเรียนการสอนชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องท่องคือสอ น, นให้เข้าใจคือคือเราต้องเอากจะท่องหรือไม่ท่องเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนเป็นจะจําได้ถ้าคุณท่องอย่างจรที่คุณไม่เข้าใจก็จําจจไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเป็นการสอนที่ค่อนข้างแหวกแนวเหมือนกันคือสอนให้แปลก่อนสอนให้รู้โครงสร้างของของคำ แล้วก็ทําให้เราเข้าใจภาษาที่ผู้เจ้าต้องการจะเน้นมากขึ้นนะคือที่ที่กำลังจะพูดเนี่ยจะพาไปสู่ความที่ทําไมจากตัวเราเองนะที่เราคิดว่าเราควรจะไม่เรียนบาลีเรามากลายเป็นที่เราคิดว่าบาลีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญจะต้องเรียนจะต้อง ร, รู้จะต้องทําความเข้าใจสําหรับตัวพระสงฆ์เองนะแม้จะพูดอย่างนี้อาจจะ อาจจะพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เอ า, อางี้ดีกว่าคือถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาทุ่มเทเวลาในการที่จะเรียนภาษาบาลีให้เข้าใจถึงถึงตัวความที่ภาษาของมันเนี่ยนะคุณจะเข้าใจคําสอนพุทธ า, ามากขึ้นพูดงี้ดีกว่า mm. ยกตัวอย่างเช่นเราไปดูหนังนี่กาลังจะเปลียเทวกรรณต่แตให้ฟังนะคุณไปดูหนังถ้าสมมติคุณฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะค่ะหูคุณจะต้องฟังบและตาคุณจะต้องอ่านไอ้ตัวที่มันวิ่งมาข้างล่างนะอัธรรตเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มที่เท่ากันกับเวลาที่เราฟังเข้าใจจากภาษาอังกฤษเลย หรือว่าเราไปดูหนังที่ภาคไทยแต่เป็นหนังฝรั่งนะหนังภาคไทยอัธรสมันไม่ได้เท่ากันกับเราดูหนังฝรั่งที่เขาพูดฝรั่งแล้วมีตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างล่างแล้วเราอ่านอย่างไรก็ตามมันก็จะไม่สู้เท่ากันกับที่เราฟังภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจด้วยความเป็นภาษาอังกฤษเลยเข้าใจนะเช่นเดียวกันเราฟังที่เขาแปลแปลมาเนี่ยเราว่าไพโรพริงแห่เป็นพู้บรรณนะสวยงามมากจริงให้ไปฟังบาหลี มันจะยิ่งลึกซึ้งเข้าไปคุณยมติวเข้าใจไหมค่ะอ๋อก็คือว่าพอท่านเรียนปุ๊บท่านได้พบว่าช่วยทําให้มีความลึกซึ้งเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะของพระพุทธองค์ใช่อ่อยกตัวอย่างเช่นคิดว่าพอจะมีเวลายกตัวอย่างอยู่เนาะคุณยมติวเนาะค่ะอ่า อ, อย่างเช่นว่าโครงสร้างของภาษาไทยเนี่ยจะเป็นประธานกิ ร, ยก ร, ริรารยากรรมเป็นประธานกิริยากรรมใช่ไหมเราพูดกันอยู่แล้วฉันกินข้าวฉันไปเรียนฉันชื่อนี้เนี่ยเป็นประธานกิริยากรรมนะ แต่ว่าโครงสร้างของภาษาบาลีเนี่ยเป็นลนักษณะของประธานกรรมกิริยาเอากิริยาไว้สุดท้าย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะเน้นเนีนเน่ยคือเขาจะเน้นตัวประธานกับตัวกิริยา <Okay. S 1> คือปรานกับกรรมเนี่ยประธานกับกรรมเนี่ยจะรวมเรียกว่าเป็นนามนะแล้วก็ตัวกิริยา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันจะมี2 ส, ส่วนที่สําคัญมาคือ น, นามกับกิริยา <Okay. S 1> เราก็จะรู้ว่าพระุเจ้าเนี่ยเน้นสิ่งที่เป็นกิริยาอย่างสมมติยกตัวอย่างพุทธปัจชนะถ้าเป็นภาษาไทย <Okay. S 1> เราบอกว่าภิกษุทั้งหลาย นะถ้าเธอไม่เว้นจากทำให้อย่างนี้นะก็จะเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ยกตัวอย่างเช่นอถ้าเราพูดเป็นภาษาบาลีขึ้นมาเรารพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าเธอทําหายาย้อย่างไม่เว้นนะถ้าถ้าเปลี่ยเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเธอไม่เว้นทำให้อย่างใช่ไหมแต่ถ้าแบบเป็นบาลีจะพูดว่าเธอทำให้อย่างไม่เว้นทํานคะดิฉันดิฉันยกตัวอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเลยดีดแ ล, ดล้วรู้กันดีกว่าไหมอย่างเช่น อาตาหิอัตโนโนาโถนี่ใช่พุทธเจะนะไหมคะถูกต้องอัตาหิอัตโนโนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ค่ะและถ้าหลวงพูดแบบเมื่อสักครู่นี้สิคะว่าเรียงประโยอย่างไงคะถ้าเป็นแบบอ๋อ<า>อันนี้มันเป็นคาถาซึ่งการแปลมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะ อ, อะอย่างตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยอัตาหิอัตโนโนาโถมันก็จะไม่มีรูปอย่างที่เรากํำลังพูดอยู่นี้อ้เงี้ยดีฉันขอประทานโทษ ค, ค่ะกลับไปที่ท่านไปบุญไดยกตัวอย่างกันแล้วกันค่ะคือประโยคทั่วๆไปเนี่ย พระพุทธ้าจะพูดที่เป็นคำเป็นบทสนทนาเป็นคําพูดอย่างที่เราอ่านอ่านกันมากกว่าแต่อย่างที่เรายกพุทธวัตพุทธสุดพุทธศาสนสุภาษิตที่เป็นภาษาบาลีขึ้นมาเนี่ยนะอันนั้นเน่ยเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยที่เขาที่เป็นคาถาพูดลอยลอยขึ้นมาจริงๆเป็นส่วนน้อยก็เลยยกมามาพูดให้ฟังมันเป็นเหมือนสตโครงกรอนพวกนี้ที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าเวลาพุทธเจ้าพูดเนี่ยตรัสเนี่ยนะก็จะเป็นภิกษุทํา5อย่างไม่เว้น เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะเน้นไอ้ตัวสุดท้ายว่าไม่เว้นนะไ ม, ไม่ละนะเพราะนั้นเราจรึงจะต้องไปเข้าใจไอ้ตัวสุดท้ายนี้ให้มากเราจะเข้าใจได้ว่าอ้พระพุทธเจ้าเน้นคำนี้ไม่ได้เน้นเน้นคำอื่นเพราะว่าพอแปลงเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยรูปสำมันหายไปเนะี่ยมันไปหายมันหายไปพร้อมกับภาษาทีนี้พอเราไปเข้าใจความที่เป็นเป็นภาษาบาลีที่พระุทธเจ้าพูดเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้าเน้นตรงนี้เน้นกิริยาตัวนี้เน้นลักษณะนี้ แม่มันทราบซึ้งมากคุณยมดิวเนะอาจาไม่รู้จะอธิบายยังไงคือก็ต้องยกตัวอย่างว่าเหมือนคุณดูหนังฝรั่งอย่างที่คุณฝังภาษาอังกฤษเข้าใจเลยอือค่ะเขาว่ายากท่านเรียนมานานไหมคะเนี่ยได้สักสองามเดือนนี่หละมั้งก็เท่ากับว่าถ้าท่านฟังทั้งหลายอยากจะทราบของพระพุทธองค์อ่าที่เราเคยเสกเป็นภาษาไทยที่เขาแปลมาแล้วอืก็ไปเรียนภาษาบาลีกันนะคะ เออใช่ก็ควรจะเรียนนะคือหรือว่าอย่างน้อยคือควรจะเรียนนเพื่ออะไรนะต้องต้องบอกนิดนึนนงคือเรียนเนี่ยเพื่อไม่ใช่เพื่อให้แปลเป็นภาษาไทยน ะ, ะแต่เรียนให้เข้าใจความที่มันเป็นภาษาบาลีซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งตรงนี้เป็นหลักสูตรของการเรียนภาษาไทยการเรียนภาษาบาลีในประเทศไทยเ <tså> นี่ยนะคือเขาจะเรียนให้คุณแปลก่อนหรือให้คุณแปลแล้วคือในกระบวนการเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจความที่เป็นภาษาบาลีเองนะซึ่ง วิธีที่อาจจะมาเรียนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะมันก็เลยทําให้เราไปเข้าใจความที่เป็นภาษาบาลีมากกว่าที่เราจะมาเรียนแปลอย่างนั้นก็ตามเราก็ต้องไปสอบอะมันก็เลยต้องก็ต้องทําตามที่เขาทํำกันมาค่ะ <c oughs> ต้องไปสอบนักธรรมไงหรืเป่าเราเรียกสอบนักธรรมสอบประเรียนธรรมสอบประเรียนธรรมท่านพิบูลค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะกลับเรียนท่านพ<ำ>ิบูลแล้นะคะคือเรื่องภาษาบาลีนี่ก็เป็นการเล่าให้ทราบสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปศึกษาเล่าเรียน แต่ถ้าเรื่องที่ดิฉันจะกลับเรียนท่านไปบุญก็คือว่าขนาดว่าพยายามพูดให้ง่ายเนี่ยบางท่านนะคะก็ยังรู้สึกว่าบางคําเนี่ยต้องแปลอีกเป็นภาษาไทยแล้วยังต้องแปลเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าภาษาธรรมเนี่ยไม่เหมือนกับภาษาที่เราพูดทั่วกันอยู่นี่แหละคือคือจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการเรียนในประเทศไทยก็ได้นะเพราะเขาเรียนให้คุณแปลเวลาแปลเนี่ยก็ต้องแปลเป็นแบบบทเพียรชนะและโดยอัธา นะคุณจะต้องรักษารูปเดิมไม่เท่าไหร่ทิ้งรูปเดิมเท่าไหรนะ่ซึ่งตรงนี้เราจะจะเลิกพูดกันไปเลยถ้าเราเข้าใจความที่มันเป็นสบับปะรดค่ะอืมก็เดี๋ยวเราก็พึ่งท่าไปบูนกันแล้วกันนะคะให้ท่านไปเรียนบาลีแล้วให้ท่านมาเล่าให้เราฟังเป็นภาษาไทยนะคะใช่ก็ปลทางจะเหมาะกับพวกเรามากกว่าค่ะคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้ต้องการจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังมากเลยเพราะว่าจากการที่ ตัวตัวเราเองนะคุณยมติ๋วเราไปอ่านพุทธปรนะที่เคยบอกท่านผู้ฟังทุกราทุคร้านทุกค้างเลย ว, ว่าโออ่านห้ารอบนะไม่เท่ากับอ่านสิบรอบนะอ่านสิรอบนี่อ่านยี่สิสิบรอบนี่ยิ่งลึกซึ้งมากกว่านะค<ช>แล้วพอเราเลิกพูดไปเร็วเสียอ่ะคุณมาอ่านภาษาบาลีเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งจริงล่ะดิฉันเองเดี๋ยวขอทบทวนก่อนเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเคยพยายามค่ะ <c oughs> ไปเรียนอยู่แล้วมีความรู้สึกพอท่องเ่ยลับ ไม่ไหวอะค่ะสมองไม่ค่อยจําอืมอื ม, อ ม, อมเดี๋ยวต้องพึ่งท่านไปก่อนนะคะช่วงใช่ใช่ก็จะบพยายามแบ่งปันให้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ <Okay. S 2> คิดว่าจะใช้เวลาในช่วงปีที่เหลือนี่แหละในการที่ศึกษาภาษาบาลีด้วยในการที่จะอาจจะไปเห็นแง่มุมธรรมะอะไรต่างๆหลายอย่างทีเดียวที่ได้เรารู้ภาษาบาลีเราพบแง่มุมใหม่ๆเพิ่มเตมิมอีกนี่ไงค่ ะ, <ๆ S 2> <น>ะท่านฟังก็ใช้โยะได้เลยนะคะถ้าฟังรายการนี้ต่อไปตราบเท่าที่ท่านไปบูรณาจัดรายการอยู่ เราคงได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าเมื่อท่านเข้าถึงภาษาบาลีและท่านมาถ่ายทอดให้เราได้ฟังเนี่ยนะคะเราก็จะได้ปล่อยได้รับอนิสงส์แห่งความเข้าใจอย่างทราบซึ้งของท่านไปด้วยใช่ใช่ดั้นก็ขอโปรานาขอทราบเลยก็แล้วกันนะค ะ, ะวันนี้กลับรบกวนท่านมาจนถึงสุดท้ายขอให้ท่านย้ำอีกครั้งเรื่องธรรมะคือวิถีชีวิตค่ะได้ก็จะต้องบอกกันทุกรอบนะบอกกันกี่พันครั้งก็ตามเพื่อจะให้ คุณโยมติวแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะนี่ไม่ได้อยู่แค่ที่วัดนะหรือว่าเราฟังธรรมะภาษาบางทีมันยังไม่พ้นประตูวัดก็คิดว่าธรรมะอยู่แค่ที่วัดหรือว่าที่เวลาเราทําทานให้ทานรักษาศรรีลไม่ใช่แค่นัน้นะเราจะต้องมีวิถีชีวิตของเราทุกขณะจิตเลยนะที่จะเป็นธรรมะสามารถทําได้นะทำให้เป็นธรรมชาติธรรมดานะรักษาความดีอยู่ตลอดเวลาศีลสรรมาธินี่แหละเป็นวิถีชีวิตที่เราทําได้อยู่ตลอดเวลาในในการดําเนินชีวิตของเราค่ะเพระฉะนั้นวันนี้ เราก็จะเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตอย่างเข้าใจแล้วว่าเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ขาดธรรมะใช่ค่ะกราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านไปบุญไปอย่างยิ่งนะคะเรนบาลค่ะและทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าใส่เข้าไปสําหรับการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อเกิดมาแล้วบนโลกใบนี้ชีวิตมันต้องเคลื่อนไหวไปตามอวิถีของแต่ละท่านซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นวิถีชีวิตนะคะ ใช้ธรรมะเข้าไปเป็นประกอบเป็นหลักเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่คงความสวัสดีเอาไว้ตลอดอายุของเรานะคะวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากทางาการสรนนีสนานาแล้วก็ทางสถานีวิทยุ FM ็ครอบรครัวข่าวนะคะที่ได้ทาหน้าที่ในการที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงธรรมซึ่งดิฉันเองก็ต้องขออนุโมทน า, าไว้อย่างยิ่งเลย จนกว่จะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพู้ทั่วสวัสดีค่ะ